ใจเลื่อนลอยไปยังพระนครสาวัถีสู่ปราสาทของลีลาวดาีสภาพรอบตัวเวลานี้เร่คล้ายคลึงกับคืนที่พบกับลีลาวดีเป็นครั้งแรกริมฝั่งสะในสวนหลังคฤหัสถ์สายลมเย็นโชยมาดอกสาะร่วงพูลงสู่พื้นดินติดขึ้นมาสูดดม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 ปิดประตูแล้วนั่งทำสมาธิระงับจิตใจแต่ขณะที่จิตกำลังก้าวสู่ความแน่ว แ, แ, แน่แห่งอารมณ์เดียวนั้นท่านใดท่านเจ้าคะท่านคะเขาสะดุ้งตื่นจากภวังาเงี่ยหูฟังด้วยใจอันระทึกแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปใครน้อมาร้องเรียกในยามค่ำคืน บางทีอาจจะเป็นผีสารนางไม้มาทดลองใจเลยท่านคะท่านเสียงนั้นเรียกมาอีกเยือกเย็นจับขวุจใจรู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดบางทีอาจจะเป็นลิลาวดีแต่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาหาในยามค่าคืนถึงที่นี้เอาละไม่ว่าผีหรือคน ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงเปิดประตูออกไปดูสเสดียวนี้เลยขึ้นเปิดประตูแล้วลีลาวดีเธอหรอเนี่ยลีลาวดีถูกแล้ว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 ทีฉันตึงเที่ยวรเวณถามพระสงฆ์องค์เจ้าวในวัดแ่าทุกองค์แต่ไม่มีองค์ใดบอกว่าท่านไปไหนจนเมื่อเร็วๆนี้นางทาสีคนหนึ่งไปบอกว่าพบท่านที่บุพารามนางทาสีพบอาตมานางทาสีบอกดิฉันเลื่อนยืนยันว่าเขาจําได้ว่าเป็นท่านแน่นอนดิฉันจึงให้เขาพามาในคืนนี้ทาสีมาด้วยเหรอเนี่ยมาค่ะทาสีมานี่เถอะ นี่ไะนางข้าซื้อที่ไปิดบอดดิฉันดีใจเหลือเกินที่ดีลาวดีตามมาเยี่ยมอาตมาจนถึงที่นี่แต่เธอน่าจะมาในตอนกลางวันมาในยามค่ําคืนเช่นนี้รู้สึกไม่เหมาะเลยดิฉันเปลิดตัวมาหาท่านได้แม้ว่าเป็นโชคอันประเสริฐอยู่แล้วทําไมละ่ะดีลาวดีท่านคงไม่ทราบหรอกว่าเวลานี้ดิฉันมีอะไรดีลาวดี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 และต่างก็มุ่งไปสู่แม่น้ำอจิราวดีเพื่อสงสนานบ้างไปสวดบุญทีสถานต่างๆเพื่อปูชาเทพเจ้าบ้างเพื่อเนครสาวิตตลอดทั้งเจวันอึกกระทึกกึกก้องด้วยเสียงดนตรีรเพลงขับและเสียงโห่ร้องด้วยความสนุกสนานของประชาชนทุกคนถูกแ่งเต็มไปด้วยชว่อดอกไม้และถงพิวเครหลวงของโกศลรัฐในยามนั้น มีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับดาวฤกษ์ที่พบของท้าวมรควานในซุนกระตูเทวไ ล, ลแห่งหนึ่งเป็นที่ประกอบบุญยพิธีของคนชั้นสูงชายมนึกลุ่มหนึกำลังยืนโดยสูงชนที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเอาเัปพาตในกลุ่มชายหนึ่งนั้นมีสุทัศ น, น์ปมาณผู้ชายแห่งกลุน่นักขาหาบดีรวมอยู่ด้วยเข้าพึ่งสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มาจากเมืองตา ก, กศาิลา หลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีพอมาถึงกรุงสาวถีพอดีมีเมือนักสเตเร์กเคยเคยควรลยัยเกากคฟซุมมาไว้ในมือที่เดียวกับสหายของเขาคอยกวาดสายตาดูผู้สาวๆที่ผ่านไปมาว่ามีใครบ้างควรจะได้รับควรมลาลัย เฮ้ยนะเฮนะเฮ้ยยนคอยังขาแข็งวเนี่ยไม่พบคนที่ต้องการสักคนคงจะมาถึงหญิงสาวหรือสิใช่ไหมสุวรรก็เราถือพวงมาลัยคอยหญิงสาวอยู่ใช่เลยรู้อยู่แล้วไม่น่าจะถามเลยเนี่ยใช่ไหม รู้สึกกับสหายอารมณ์จะงุดหงิดไม่น้อยเลยนะจะไม่ให้งุดหงิดได้ย่งไรแล้วจนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นสาวสวยที่ต้องใจสักคนใจเย็นเย็นนะสหายจะให้เย็นไป้ยังไงนี่สาวใจเย็นมาจนเกือบจะทนไม่ไหวอยู่แล้เห็นทีละครสาววถีจะไม่มีสาวสวยต้องมีแน่นะก็แล้วไงก็นายยังไม่มาให้สหายเห็นนะสิแล้วเมื่อไหร่จะมายเห็นสักทีสหายได้เห็นไดนี้ละวสาวสวยจริงๆไม่นาสาวสวยที่สหายว่านั่นไงกําลังจะเดินเข้าไปเนี่ยหิวอะไร ยิงงูสายโอ้ ส, า ย, อยสายเอ้ยหลังจากสอดแสวงหามาานะันชันน่ะคือพบหญิงในรูปติดสมประสงค์แล้วบอกกันลอยเถ่าว่าแม่ทอมโซพานเรื่คือใครเป็นลูกหลานว่านเครือใครเขาพรเจ้าบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะอะไรเอ๊ะก็ข้าพเจ้ า, า, าไม่รู้จักนางอนะอ่าแต่ข้าพเจ้ารู้จักนะอาทหายรู้จักแล้ ว, ลวบอกสินางคือใครฮะท่านจีนลีลาวดี วดีอืถูกแล้วเธอชื่อดิลาวดีเป็นลูกสาวของสุดทองของสมังคระเขาเรียหาบดีแต่เวลาเนี้บิดาของเธอตายไปแล้วยังเหลือเธอกับแม่เท่านั้นรวยซะด้วยสิถ้าใครได้เป็นคู่ครองนะเราก็โชคดีที่สุดเลยลาวดีชื่อเพราะซด้วยบริเขาบอกตามตรงเนะเวลานี้การต้องสอนการประเทศสรําสหายขอให้กันมอบภุมอะไรนี้แกเธอเถอะนะ กันก็ตั้งใจจะมามอบพูงอลไรให้เธอเหมือนกันการขอไม่ได้หรือไงอ่ะเอาเถอะเมื่อสหายขอกันก็ยกให้แต่เห็นจะต้องรอจนกว่านางจอกมาไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่อาจจะนั้นก็ได้นานแค่ไหนก็จะรอ นานแ ล, แล้วเนี่ยลีลาวดีเข้าไปในเทวะไลจนป่านี้ยังไม่ออกมาอีกสหายสวัสดิ์จะรอต่อไปอหรอือต้องรอถึงจะนานจะแค่ไหนก็จะรอคื อ, อยังไงเธอต้องออกมาแต่ว่าให้ตายสลเวลาแต่ละทีที่ผ่านไปดูเหมือนานานเป็นเ ป, นเปนที่เ้ย <c oughs> สหายชอบตังจริงเอะจริงเสีย ท, ทันทีได้เห็นหน้าก็ชอบลนะอ๋อแน่ธอออกไปแล้วแล้วคนที่เดินเคียงข้างอะ่ะใครกันน่ะแม่ของเธอที่เดินตามหลังบริวาร สายจะทำไงต่อไปเราโอกาสเหมาะสักหน่อยกแล้วเราจะมอบพรมอะไรนี้ให้กับ เ, เธอเพื่อผ่านซุมประตออกมาแล้วส่งพรมอะไรเธอเลยสิจะส่งให้กับเธอเดอี๋ยวนี้่ขอได้โปรดรับพรมอะไรย้ายมือสั่นทีเมืนสั่นเองพยายามขับใจหน่อยอ่ะเธอไม่ยอมรับพรมอะไร รับพูมิลาลัยสิลีลาวดีลูกไม่รับหรอกแม่อ้าวทำไมไม่รับกันลูกไ ม, ไม่อยากรับไปกันเถอะแม่เดี๋ยวก่อนลีลาวดีอ่ะส่งภูมิลาลัยมานี้เธอฉันรับไว้เองแม่ไปกันเถ อ, อะไม่รับภูมิลาลัยไว้ทำไมลูกไม่รับแม่ก็ต้องรับแทนอย่าพูดซักถามอะไรเลยไปกันเถอะเธ อ, อไม่รับภูมิลาลัย แสดว่าเธอไม่อะไรใหญ่ดีไม่ปรากหนาจะเป็นมิตรกับฉันเนี่ยอย่าเสียใจเลยหน้าเพื่อนถึงเธอจะไม่รับเองแม่ของือก็รับแทนแล้วผล ม, มันก็เท่ากันผลเท่ากันนี่ถูกแล้วแม่รับก็เหมือนลูกรับธรรมดาหญิงสาวก็ย่อมจะทุกข์ทานขยุยอายไม่กล้ารับจากมือชายหนุ่มทั้งที่ใจอยากจะรับแล้วนี้จะเที่ยไหนต่อเ น, นี่ยกลับบ้านกลับบ้านเน่ยก็ไหนว่าจะเที่ยวสนุกทั้งวันทั้งคืนไงตอนนี้การมีกระจายจะเที่ยวอีกแล้วกลับบ้านดีกว่า เราหาอยากเที่ยวก็เที่ยวไปครับไม่ต้องไปห่วงกันหรอกการขอกลับบ้านคนเดียวก็ได้การอย่างนั้นมันก็ไม่ดีมาให้กันก็ต้องกลับด้วยกันสิอ่ะ ก, กลับมาไม่หนุกแล้ว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 พ่อแม่มีลูกคนเดียวก็อยากให้ลูกมีความสุขเมื่อลูกมีทุกข์างนีแล้วไหนเลยพ่อแม่จะสุขใจอยู่ได้มีอะไรก็บอกมาเถอะลูกพ่อแม่จะได้ช่วยกันปัดทุกข์ให้ลูกไงลูกตกลุมรักสลัลูกตกหลุมรักลูกรักใครเธอชื่อลีลาพดีลูกใครล่ะลูกลูกสาวสุมัลคหะพอดี ลูกอยากได้เธอมาเป็นภรรยาถ้าไม่ได้ชีวิตลูกเห็นจะไม่ยืนยาต่อไปแน่เรื่องเพียงเท่านี้เองลูกไม่น่าจะเก็บมันเป็นความทุกข์ใจบอกกับพ่อได้ตั้งแต่แรกลูกก็สบายใจไปแล้วอพ่อหมายความยังไงอ่ะพ่อจะส่งคนไปสู่ขอให้ไงอขอบคุณพ่อขอบคุณแม่สบายใจได้แล้วลูกลูกสบายใจแล้ว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 ทั้งแปดมาจากท่านปุณณะหะบดีเดชฉันยินดีต้อนรับพราหมณ์ไม่ทราบว่าทัานพราม์ทั้งแปดมีธุระสิ่งใดเราได้รับมอบหมายจากท่านปุณณนะให้มาสู่ขอบุตรสาวของท่านเลลาวดีเหรอคะถูกแล้วบุตรชายของท่านปุณณนะชื่อสุวัฒนะมีความพึงพอใจบุตรสาวของท่านมากวันนั้นได้มอบพวงมาลัยให้ แต่ท่านรับพวงมลาลัยแทนไม่ใช่เหรออ๋อชายหนุ่มคนนั้นเองรูปร่างเขาสง่างามมากเชียวนะอีกทั้งคิริยามารยาทก็เรียบร้อยฐานะก็มั่งคั่งสรุปแล้วสุวัฒน์นะเป็นคนดีมากถ้าท่านได้ไว้เป็นเขยในบ้าน <c oughs> เห็นทีจะไม่ผิดหวังขอบคุณท่านปุณณนะที่ให้เกียรติส่งท่านทั้งแปดมาสู่ขอ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 อีกสองวันค่ะพระเจ้าจะมาเชิญท่านลีลาวดี แม่อยากให้เจ้านะมีสามีเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแต่ว่าเจ้าอย่าได้คัดค้านเลยปราบใดที่เจ้าไม่มีสามีแม่ก็นอนตาไม่หลับทําไมล่ะแม่ก็เวลานี้อ่ะเราอยู่กันอย่างไร้ที่พึ่งนะสิลูกเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลทรัพย์สมบัติเรามีมากแต่ขาดผู้จัดจา ก, การดูแลนับวันก็แต่จะร่อยล้อลงแม่เองก็แก่แล้ว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 เอามาทำลายทรัพย์สมบัติของเราเปล่าๆโอ้โข้อ น, นั้นลูกไม่ต้องวิตกแม่ได้ถามอย่างละเอียดแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆพูดถึงวงตระกูลเขาก็เป็นพราหม์มหาศาลพูดถึงวิชาความรู้เขาก็เพ่งสําเร็จการเรียนมาจากที่สาตามูกเมืองตักกศิลาแต่ว่าไม่เพียงแต่ได้ยินจากปากพราหมณ์เหล่านั้นเท่านั้นจะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับตัวจริงเขาเลยเอาเถอะ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 เจ้านะควรจะเห็นใจแม่บ้างสิคราวนี้แหละเป็นคราวที่เจ้าจะสนองบุญคุณของแม่แต่งงานซะสนะลูกดูเข้าไปก่อนเถอะแม่แม่คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องดูอะไรอีกแล้วที่แม่ได้ยินได้ฟังมาก็นับว่เป็นการดูพอแล้วลูกจะต้องแต่งงานกับเขานะลูกจะยังไม่แต่งขอดูเข้าไปกรณ์ลูกหัวรันไม่ฟังคำสั่งสอนของแม่ซะเลยแม่รู้ดีนะ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 หมามีหัวใจหนักขึ้นเหมือนมีก้อนหินใหญ่มาทวงมันเป็นคราวที่ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่รุนยากที่สุดลูกรักของแม่เจ้าไม่รักแม่แล้วเหรอโธษแม่ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยแม่ไม่รักแม่แล้วจะไปรักใครที่ไหนลูกรักแม่ก็ไมลูกไม่รับปากแม่อย่างดีได้เหรอเรียกว่าลูกรักแม่แม่ฟังลูกก่อนสิ ย่พิ่งทึกงทักเอาอย่างนั้นท่านที่ลูยกยังไม่รับปากคําคของแม่เพราะลู ก, กําลังคิดยังตัดสินใจไม่ได้ลู่ก็รู้อยู่แล้วว่าลูรกรักเรวตัตตพิสุกลูกมีหัวใจเดียวเท่านั้นไม่สามารถดักใครได้อีกข้อนี้แม่ก็เห็นใจเจ้าเหมือนกันแต่เชื่อแม่เถอะความรักที่เจ้ามีต่อเรวตัตตพิสุกนะจะไม่มีวันสําเร็จทําไมจ้ะแม่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 แต่งงานกับสุวัฒนะกุมาเถอะนะลูกนะแล้วเจ้าจะเห็นว่าคำพูดของแม่นั้นเท็จจริงแค่ไหนจะยังไงก็ตามลูกจะไม่แต่งงานกับชายคนนี้เป็นอันขาดแม่จะมาค้าพี่เจ้าแต่งถ้าแม่บังคับลูกจะฆ่าตัวตายเฮ้ยลาวดีลีลาวดี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 คุณที่ลูกจะแต่งงานด้วยมีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือเรวตัตะแต่ว่าเรวัตตะนะเขาหนีไปจากกรุงสาวัตถีแล้วเขาจะไม่กลับมาหาเจ้าอีกลูกยินดีจะคอยเขาถ้าเขาไม่ศึกละ่ะถ้าเขาไม่ศึกลูกก็จะอยู่เป็นโสดไปจนตลอดชีวิตฮแม่นหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนความคิดบาของเจ้าได้ฮกรุงแม่กรุงไปที่สุดแล้ว เ่ยว่าแต่แม่กุ้งเลยลีลาวดีก็กลุ้มไม่น้อยไปกว่าแม่แต่สินใจไม่ถูกจะเอาอยัางไงดีหัวใจเป็นของภิกษุเณนจรเรวตะแล้วอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้ไม่สามารถจะรับไข่ได้อีกแต่พระคุณของแม่นั้นละ่ะจะจัดการยางไรด้วยจะหันหลังให้อย่างไม่อะไรใหญ่ดีพระคุณของแม่กับความรักจะเลือกเอาทำไหน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 ดีให้คำตอบจะแต่งงานกับข้าไปเจ้าแล้วใช่ไหมเปล่าเลยสุวนะัฒนายังไม่มีคำตอบจากนางยังไม่มีคำตอบหมายความว่ามารดาของ